เวลานี้เป็นเวลาเหมาะเป็นเวลาที่เหมาะเป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่สงบที่สงัดเป็นเวลาของเราทั้งหมดเราไม่มีความจำเป็นเพื่อที่จะรีบต้องไปจัดไปทําสิ่งอื่นอย่างอื่นเราเข้าสู่หน้าที่ของเราได้เต็มที่ร0อเ นั่งสรวมเข้ามาระมัดระวังเข้ามาบริกรรมเข้ามาภาวนาโรการภาวนาอย่างเดียวสิ่งเดียวเป็นเหตุํำระจริตของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างอื่นชำระให้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำจน ทำจนมีทำจนเป็ีนทำจนได้ทำจนดีทำจนมีทำจนเปลี่ยนเนี่ยท่าเรียกว่าภาวนาทำไม่หยุดทำไม่ถอยทำให้มากเจริญให้มากที่เราเรียกว่าภาวตาภาวริกรตาทำให้มากเจริญให้มากคือภาวนาการที่เราทำบ่อยครั้งนั้นเป็นการชําระเป็นการสักเป็นการฟอกจิตใจของเราให้สะอาด เป็นการขัดเปลา่าจิตใจของเราให้สะอาดเอาอะไรซักเอาอะไรฟอกเอาอะไจรจําระเอาสติเอาสัมผััญญ า, นาเนีแหละสักฟอกําระกำหนดจดจ่อเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทําความรู้สึกเข้ามาทําความสงบเข้ามาน้อมเข้ามาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวตัวเรา ความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ตัวของตัวเราทันทีทันเดยว่าภาวนาภาวนากนําหนดทำความรู้สึกเข้ามาที่ตัวของตัวเราเสร็จแล้วท่านให้ให้บริกรร่าบริกรรมก็คือเอาใจนี่แหละมาดําริพุทธโธพุทธโธพุทโธหรือกํากับลมหายใจเข้าว่าพุทธลมหายใจออกว่าโท หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทเพราะจับอันนี้แหละเป็นตัวอย่างในการทํากําหนดจดจอยอยู่อย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกที่เรากําหนดรู้ลมหายใจเข้าว่าพุทมันมีความรู้สึกอย่างไรเราจับความรู้สึกนั้นเราจับความรู้สึกหรอหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโททาความรู้ทำความกําหนดจดจออยู่แค่นี้ เป็นการทำจิต ใ, ให้สงบสงบอยู่กับอารมณ์เดียวการที่จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็นเป็นการฟอกจิตเหมือนกันนะทำให้จิตใสเข้ามาทำให้จิตสะอาดเข้ามาทำให้จิตบริสุทธิ์เข้ามาบริสุทธิ์ขั้นบริกรรมกิเลสแทรกเข้าไม่ได้เดียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นกิเลสแทรกไม่ได้กิเลสยังไม่หมดภายในใจของเรายังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดเป็นจักใจเนื่องจะว่าเรายังไม่เห็นหน้าเห็นตา ของเรายัางฆ่ามันไม่ได้แต่เราให้มันสงบโดยไม่ให้มันมายุ่งแย่ก่อกวนจิตใจของเราก็เป็นเหตุทำใจิตของเราได้รับความสงบจิตสงบเป็นจิตบริสุทธิ์ขั้นบริกรรมจิตสงบอยู่กับคําบริกรรมเป็นความบริสุทธิ์ขั้นหนึ่แต่มันมีเป็นการบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นจะต้องเจริญปัญญาให้เห็น เห็นเหตุเห็นปัจจัยท่องแท้เราถึงจะละเราถึงจะวางได้ไม่งั้นเราละไม่ได้เราวางไม่ได้เราตั้งใจละเฉยเฉยเราตั้งใจวางเฉยเฉยโดยไม่สามารถจะรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเราก็ละไม่ได้วางไม่ได้่อยไม่ได้จะจิตให้บริสุทธจิตยิ่งได้รับความสงบไปเท่าไหร่จิตก็ยิ่งผ่องใสเท่านั้นจิตท่องใส จิตได้รับความสงบจิตก็พ่องใสจิตได้รับความสงบจิตก็อิ่มก็อบที่ตะวิว่าปีติดจิตอิ่มอบจิตมีความสุขกายมีความสุขจิตมีความสุขสุขที่อารมณ์แห่งความสงบนั่นสุขจากอารมณ์ของความสงบสุขจากอารมณ์ที่เราทำให้จิตได้รับความสงบมันเป็นความสุขที่ทำให้เรา ยินดีทําให้เราพอใจเพลินใจเพราะมันมีรสชาติคือความสุขจากนั้นแล้วเราย้อนมาดูเหมือนกับจิตของเรามีแสงสว่างเหมือนจิตของเราใสสว่างจิตไม่เดือดดาลจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่วุ่นวายจิตไม่โดดโลดเต้นไปตามอารมณ์จิตอยู่กับเมื่อจิตอยู่กับตัวเพราะจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นแหละ ทำโลกนี้ให้ปรากฏแก่เราจิตดวงเดียวแท้ๆทำโลกนี้ให้ปรากฏแก่เราทำให้เรายึดส pues voilà nope. ิ่งนั้นเข้ามายึดสิ่งนี้เข้ามาทำให้เราผลักสิ่งนั้นออกไปผลักสิ่งนี้ออกไปการที่เรายึดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาก็ตามการที่เราผลักอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตของเราก็ตามอันนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่เที่ยังแท้ เป็นความรู้ที่ยังไม่จริงจังเป็นความรู้เคลือบแฝงเป็นความรู้ที่ถูกเคลือบถูกแฝงด้วยอํานาจของกิเลสเนื่องจากกิเลสมันตีความให้เราชอบถ้าไม่ประสบสิ่งที่ชอบมันก็ไม่พอใจมันก็ผลักออกไปเมื่อประสบสิ่งที่ชอบใจของมันนะอาหารตรงกับความอยากคือความอยากนี่เป็นตัวของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเรา ความอยากภายในใจของเราเป็นกิเลสสิ่งใดก็ตามที่เป็นอาหารที่ตรงกันชอบพอกันกับความอยากใจก็ชอบเข้ามาดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาเนี่ยกิเลสมันพาให้ชอบตรงกับอาหารของกิเลสที่มันชอบถ้าไหนที่มันไม่ตรงกับอาหารของความอยากของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันก็ผลักออกไป มันก็ผลักออกไปโดยที่มันสําคัญว่าสิ่งนั้นควรแก่มันสิ่งนั้นควรแก่กิเลสสิ่งนี้ไม่ควรแก่กิเลสสิ่งนั้นควรแก่กิเลสมันก็ออก ด, ด, าาดึงดูดเข้าม า, ค, ามมคําว่าดึงดูดเข้ามาก็คือยึดเข้ามาก็คือถือเข้ามาคือสําคัญมั่นหมายเข้ามาสําคัญว่าเป็นเราเข้ามาสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเข้ามานี่คือความสําคัญของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเรา เราดูเข้าไปที่ใจของเราเราจะเห็นกิริยาอาการของมันเราดูไปที่อื่นเราไม่เห็นเราไปศึกษาหมดปัจไตรปิฎกแต่เราไม่เคยย้อนมาดูจิตของเราเราก็ไม่เห็นเราไม่ต้องไปศึกษาหมดปัจไตรปิฎกเราเพียงแต่รู้จักทําความรู้จักแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาเราก็รู้ฤทธเดชอํานาจของมันฤทธเดชอํานาจของกิเลตนั่นฤทธเดชของมันกิริยาของมันปฏิกิริยาของมันคืออะไร นี่เดี๋ยวมันกิริยาเขามันปฏิกริยาของมันเวลามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมารับเสพสมกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทําให้มันยินดีทําให้มันพอใจเกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาตัณหาเก่ามีอยู่แล้วเกิดความรักเกิดความพอใจเพจิ่มเข้ามาตัณหาใหม่ก็เกิดเพิ่มเข้ามาอีกไม่จบในสิ้น เกิดเพิ่มเข้ามาอีกเกิดเพิ่มเข้ามาเกิดเพิ่มเข้ามาเรื่อยเรื่อยเนื่องจากว่ามันมีอาหารที่ถูกถูกปากเข้าขมันว่างั้นเอถอะรสชาติถูกปากถูกลิ้นของกิเลสกิเลสมันเลยยึดเข้ามายึดเข้ามาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจกมันก็ผลักออกไปผลักออกไปนี่คืออำนาจของกิเลสอำนาจของความอยากมันมีดูดเข้ามาแล้วนก็มีผลักออกไป ทั้งดูดเข้ามามันก็ไม่ใช่ภาวะของความเป็นจริงผลักออกไปก็ไม่ใช่ภาวะของความเป็นจริงเป็นภาวะของจอมปลอมของกิเลสนะมันปลอมอยู่ในหัวใจของเรามันปลอมมันทําให้เราเข้าใจสําคัญมั่นหมายว่าควรยึดเข้ามาควรถือเข้ามาควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดเข้ามาควรถือว่าเป็นของของตนก็ยึดเข้ามา มันเห็นว่าเป็นของควรยึดเข้ามาแต่ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างมันแต่กิเลสภายในใจของเรามันเห็นว่าควรยึดเข้ามาแต่เรายึดในที่สุดเรายึดอะไรไม่ได้สักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามภาวะของมันยกตัวอย่างง่ายๆอารมณ์จะเป็นรูปก็าตามรูปเสียงกลิ่นรสปรตทภะธรรมารมทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรายึดอะไรไม่ได้ทุอย่างยึดรูปยึดรูปเราก็เดือดร้อนกับรูปยึดเสียงเราก็เดือดร้อนเสียงทําไมเราถึงเดือดร้อนก็เพราะว่าเรายึดรูปรูปก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเราก็ได้รับความทุกข์นี่คือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของคนของคนที่ไม่รู้ธรรมที่ไม่ค่อยใจธรรมเกิด ค, ความรู้สึกแล้วก็ยึดพอยึดมาแล้วไม่ได้ตามใจที่เราหวังตามใจที่เรายึดเราก็ประสบความทุกข์ ทีนี้เวลาต้องการให้มันผลักออกไปต้องการผลักอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปไม่ยินดีไม่พอใจไม่สมใจผิดหวังเสียใจผลักออกไปมันไม่ถูกผลักออกไปจากใจเนื่องจากว่าเราไม่พอใจความไม่พอใจอันนี้ก็คือความทุกข์คือกองทุกข์อยู่แล้วผลักออกไปมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคงที่ มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของมันดึงเข้ามาเราก็ผิดหวังพลักออกไปเราก็ผิดหวังอเพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจของเรานงเนืออันนี้แหละคือความทุกข์ที่เกเลียดมันเสกสาให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรารู้เราก็าจตามหลักความเป็นจริงไม่ได้เช่นอย่ารูปสัตว์รูปตาเห็นรูปเห็นก็สัตว์วะเห็นรูปนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ถ้าเราศึกษาเราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจานี้เราจะไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยยินดีเข้ามา ย, ยินร้ายเข้ามาเพราะ ย, ยินดีเราก็เกิดยึด เ, ยเกิดถือเกิดความอยากอยากมากขึ้นมาอีกยึดเข้ามาแล้วก็มามาหึงมาหัวงมาผูม า, มาพันุ์แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปตามคติของมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันแปลไ ป, ป, ลไปอารมณ์ที่น่า ย, ยินดีน่าพอใจมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุบใจ อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีมันก็ทะลักเข้ามาเราก็ทุกข์ใจมันก็มีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสภาวะของธรรมชาติธรรมชาติตาเป็นไงธรรมชาติรูปเป็นยังไงธรรมชาติใจที่มารับทราบระหว่างตากับรูปประสบการณ์เป็นยังไงพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาเพราะกิเลสมสันแทรกเข้ามาที่ตากิเลสมสันแทรกเข้ามาที่รูปนะ แต่เวลามันเกิดขึ้นมันแสดงขึ้นมันแสดงที่ใจเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจกิเลสไม่ได้เกิดที่ตาแต่ตาเป็นเหตุให้กิเลสเกิดแต่เวลามันเกิดจริงๆมันเกิดที่ใจมันสถิดอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ได้เกิดที่รูปแต่รูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดเวลามันเกิดเข้ามาแล้วมันเกิดที่ใจมันอยู่ที่ใจริษเดชของมันก็คือทําให้เราเร่าร้อนที่เขาเรียกว่าราคะตัณหาทําให้จิตใจของเราเร่าร้อนราคะ โทสะคือความโกรธความเครียดครืงเครียดความอิจฉาริษยาการจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันที่จะเรียกว่าปทุศรายปทุศรายปทุศรายคิอจองล้างจองผลาญผูกเวรผูกกรรมจองล้างจองผลาญซึ่งกันและกันในสุดเราก็จะต้องประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้สมกับที่จิตของเรา ไม่ชอบใจไม่พอใจที่เขาเรียกว่าพยาบาทอาฆาดพยาบาทอาฆาตพยาบาทควรปทุสรายเราก็ปะทุสรายควรด่าว่าเปรียบเลยเราก็ด่าว่าเปรียบเปลยควรปทุสรายด้วยมือด้วยตีนด้วยอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราหรือด้วยสิ่งที่เป็นอาวุธเป็นมีดเป็นปืนเป็นอะไรมีการปองร้ายกันแล้วก็มีการฆ่ากันในที่สุดมันก็ออกไปทรงนั้น เรายิ่งทาอะไรเพิ่มเข้าไปยิ่งทําอะไรเพิ่มเข้าไปกรรมก็เพิ่มเข้ามากรรมก็เพิ่มเข้ามาเพราะกรรมเกิดขึ้นจากอกิริยาของจิตที่กิเลสเข้าไปยุ่ยแย่ภายในจิตของเรา şimdi. เราฟังเรื่องเรื่องกิเลสแล้วเรกจะต้องย้อนมาทำความรู้สึกอยู่ที่ใจของเราใจของเราได้รับความสงบเพราะก็มันจดจ่ออยู่กับความสงบนี่แหละทงความรู้สึกอยู่กับความสงบนี่แหละทำความยินดีทางความพอใจ อยู่กับความสงบคือฉันทะาน่ยชันท่าความพอใจความยินดีความพอใจความยินดีโดยธรรมความพอใจโดยธรรมกับผลงานที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราผลงานที่ปรากฏขึ้นในใจของเราก็คือใจของเราได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็นได้รับความอิ่มเอิบได้รับความเบิกบานเราทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อย คือการชำระจิตได้รับความสุขคือการศึกษาเรื่องจิตให้รู้เหตุให้รู้เหตุผลต้นตอของทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์แล้วก็สาเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นเราพิจารณาร่างกายคือการพิจารณาทุกข์การพิจารณาจิต การพิจารณาจิตจจจก็คือการพิจารณาทุกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกควรกําหนดรู้ halfway, ควรกําหนดรู้การกําหนดรู Stock ้ก็คือการกําหนดพิจารณานั่นแหละไม่ใช่กําหนดรู้เฉยๆไม่พิจารณาพิจารณาดูที่ไปดูที่มาของมันนี่ก็เรียกว่าให้กําหนดรู้ทุกให้กําหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้ในี่เราหลงหลงสภาวะที่เป็นทุกข์หลงกายนี่แหละกายเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์ กลายเป็นตัวทุกข์กลายเป็นตัวผลจะไม่ใช่ตัวเหตุตัวเหตุแท้จริงก็คือกิเลสคือการาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาที่ท่านเรียกว่าสมุทยัยสมุทัยเกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตเนื่องจากสมุทัยเกิดที่จิตนั่นแหละจึงมีการถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อมีการถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วก็มีภพก็ต้องไปเกิดในภพต้องมีชาติพวกเรา ได้ชาติมาด้วยกันทุกคนได้ชีวิตจิตใจมาด้วยกันทุกคนเนื่องจากว่าเรามีตัณหาเรามีอุปาทานเมื่อเรามีอุปาทานเราก็ยึดก็ถือยึดยังไงมันเือดัช่ไหยึดยังไงมันก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยเป็นผลคือเป็นตัวผลผลของความทุกข์เป็นตัวผลเกิดมาจากกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอดี ต, เห ต, ดตเหตุก็มีเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตก็มี เป็นเห็นให้เราได้มาปฏิสนธิได้กำเนิดเกิดขึ้นได้อัตภาพเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เหตุในอดีตเหตุปัจจุบันก็คือจิตใจนึกคิดปรุงแต่งอยู่ทุกวันด้วยอำนาจของความอยากความอยากนึกคิดปรุงแต่งอยู่ทุกวันทําให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นการศึกษาทําการปฏิบัติธรรมท่านจึงให้พิจารณากายพิจารณากองทุกข์ทำไมท่านจึงให้พิจารณา ท่านให้พิจารณาเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงกายว่ากายเราว่ากายของของเราว่ากายท่านและกายของของท่านกายเราสิ่งที่เกี่ยวกับเราก็เป็นของของเราแท้จริงร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟแต่เราก็สําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราเป็นของของเราถ้าเราไม่พิจารณาแล้วมันช่วยให้เราคิดอย่างนี้แหะกิเลมันช่วยให้เราคิด เนื่องจากมันอยู่มันครุกคลีกันมานานมันก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นเราว่าเป็นของของเราถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงหยึดตลอดไปหลงหยึดหลงถือหลงหยึดหลงถือสําคัญมั่นหมายเป็นไปตามอำนาจของใจแต่ร่างกายมันก็เป็นไปตามคติของมันคติของมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่ง้าเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา ร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายนี้เปลี่ยนทุกขณะเปลี่ยนทุกขณะจิตร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปทุกขณะมันเปลี่ยนไปยังไงเราดูไปที่ระบบภายในร่างกายของเรามันไม่มีอะไรคงที่ระบบลมมันก็ไม่คงที่เห็นให้มันเข้าออกหายใจเข้าไปหายใจออกมาหายใจเข้าไปห า, าหายใจออกม า, า, า, ามันก็ไปซักมันก็ไปฟอกมันก็ไปอะไรตัวอะไรอยู่ข้างในหัวใจก็เป็นเป็นทุกทุก ทุบๆทุบๆุบสูบเลือดสูบมาแล้วก็ฉีดไปสูบมาแล้วก็ฉีดไปสูบมาฟอกแล้วก็ฉีดออกไปสูบมาฝอกแล้วก็ฉีดเราไปเมื่ใไหร่มันเต้นไอ้ที่มันเต้นก็คือมันสูบน่นแหละมัน <graphics> <rituals> สูบเลือดเข้ามาสูบมาฟอกสูบมาฟอกเสร็จแล้วมันก็ปล่อยออกไปสูบมาแล้วก็เอาไปหลอยนี่สูบออกมาแล้วก็ไปลอยนี่สูบมาซักมาฝอกแล้วก็ปล่อยออกไปทุบๆทๆุบๆคือการทํางานของมันะ หัวใจของเราของทํานนิ่งไม่ไมยุดนิงนี่คือความที่ร่างกายไม่หยุดนิ่งมันเปลี่ยนไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันไม่คงที่มันไม่หยุดนิ่งมันทํางานอยู่แบบนี้แหละตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราไหลเวียนอยู่ตลอดอะระบบเลือดระบบลมระบบขับระบบถ่ายระบบประสับระบบอะไรทุกส่วนในร่างกายของเรามันหมุนเปลี่ยนเพรามันอยู่ตลอดไม่มีอะไรคงที่เรารับทานอาหารดี โอชามีรสโอชาดิบดีผูกกับธาตุกับขันกับอัตภาพร่างกายทําให้ร่างกายของเรามีกําลังวังชาดีอ้วนพีขึ้นมาทําให้ผิวพรรณผ่องใสมีกําลังวังชาดิบีเราใส่เห็ดใส่ตับใจเข้าไปคือใส่อาหารเข้าไปใส่ไปมันก็อ้วนก็พีเนื่องจากว่าในเมื่อปัจจัยมันมีพร้อมพวกเลือดพวกเนื้อพวกอะไรมันก็สมบูรณ์มันก็เต็มมันก็เต็งมันก็ตึงมันก็อะไร นี่คือภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกมันเราดูให้ให้เห็นสภาวะธรรมชาติของมันถ้าเราไม่ดูเราไม่เข้าใจและเราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราก็หลงอยู่กับความหลงยึดอยู่กับความลุ่มหลงชุ่มแปรอยู่กับความลุ่มหลงหลงกายของตัวเราเองหลงกายของเราเพราะเนื่องจากว่าเราหลงหลงคิดของเรานะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมาพิจารณาในร่างกายเราดูแต่ร่างกายเกิดในท้องแม่นะ ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยจนออกมาเห็นไหมออกมาเป็นทารกเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเราเป็นท่านสังขารธาตุขันของพ่อของแม่ที่ไปรวมกันไม่คงที่เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเราดูข้ออุปมาเปรียบเทียบนี้ให้ฟังแล้วเราจะเห็นภาวะของอันนี้จังคือความไม่เที่ยงในร่างกายของเรานี่คือสภาวะของมันมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่อยู่มันไม่คงที่นั่นแหละที่เขาเรียกวัตทุ ทุกขังแล้วมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันแหละที่เรียกว่าอนิจจังอนิจจังก็คือเปลี่ยนไปทุกขังก็คือไม่คงที่ไม่คงที่ยังไงในเมื่อมันมันเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นในกิริยาอาการอันเดียวกันท่านจริว่าทุกขังอันใดอนิจจังกันนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกขังของร่างกายเราไปดัดแปลงมันไม่ได้เราบังคับบัญชามันไม่ได้ คำว่าเราบังคับบัญชาในที่นี้หมายความว่าเราเอาจิตของเราเอาใจของเราเลยไปบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังบังคับบัญชาอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังละมันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมัน น, นี่แหละท่านว่าเป็นอนัตตาอนัตตาอันนี้อย่างทุกของอนัตตามันเป็นไตรลักษณ์ที่เขาเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะมันมีประจําอยู่ทุกสังขารเนี่ยพุทธเจ้าท่านให้ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ แล้วเราจะเห็นโทษของมันโทษของมันก็คือมันมันไม่คงที่น่ะมันเปลี่ยนไปนั่นแหละคือโทษของมันคือความทุกข์ของมันคือโทษของมันอันนี้เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมรคือร่างกายน้ำมาทำจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราก็เปลี่ยนไปเราสังเกตดูจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปทุกขณะเปลี่ยนเป็นขณะเปลี่ยนเป็นขณะเป็นขณะเราก็ ม, ามันจดจ่อเอามันดูเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเราจะเห็นมันเปลี่ยนนอกจากนั้นแล้วมันเปลี่ยนวิ่งรับอารมณ์วิ่งรับอารมณ์ทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาก็เป็นทวารที่ท่านเรียกว่าจักรคุทวานหูก็เป็นทวารที่ท่เรียกโสตทวานจมูกคานักทวานลิ้นชิวหาทวานกายกายะทวานใจมโนมโนทวานทําไมท่านจึงเรียกว่าทวานทวานก็คือที่ออกหรือช่องออกอะไรออกใจออกมันออกมารับรู้รับทราบ ความเกี่ยวข้องความเป็นไปของโลกไปรับทราบอะไรรับทราบรูปรับทราบเสียงรับทราบกลิ่นรับทราบรสรับทราบสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนี่นี่ใจมันออกมารับทราบในร่างกายนี้เราดูความเปลี่ยนแปลงไปของใจเนี่ยมันของที่มันไม่ของที่มันเปลียปลยปล่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย เราดูในขณะที time, ่เราศึกษาในขณะที่เราพิจารณาจิตของเราได้รับความสงบสติของเราก็แนบแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวสัมผััญญาของเราแนบแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิของเราก็แนบแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวกลายเป็นองค์มรรคทำให้เรากำหนดรู้สังขารสังขารของรูปกำหนดรู้สังขารของนามสังขารของรูปเหตุปัจจัยของรูปสังขารของนามก็คือเหตุปัจจัยของนาม เหตุปัจจัยของนามก็คือเหตุปัจจัยของใจนั่นแหละใจมันมีวิชาห่อหุ้มอยู่เราก็หลงในผู้รู้ในตัวรู้นี่แหละผู้รู้ตัวรู้ของตัวเองนี่แหละใจของเราก็คืออะไรใจของเราคือธาตรู้คือผู้รู้ธาตรู้มันเป็นธาตุที่มีความรู้รู้ในตัวเองเราย้อนมาที่จิตของเราเราจะเห็นจิตของเราเห็นจิตเนี่ยเป็นธาตรู้ แต่ตอนนี้มันรู้ไม่บริสุทธิ์รู้ไม่บริสุทธิ์มันหลงเพลินไปกับความรู้ความเห็นของตัวเองยดอันนั้นก็มายึดอันนี้ก็มาสิ่งที่มาเกี่ยวเข้ามาผูกพันก็คือกิเลสมีแหละกิเลสหัวเรียเร่ยวหัวแรงของมันก็คือความอยากดูไปที่ความอยากที่ใจของเราเราดูไปที่ความอยากที่ใจของเราใจของเรามีความอยากความอยากนี่เขาเรียกว่ามันทะเยอทะยาน ตัณหาคือความทะเยอทยานทีเยอทยานอยากมันจะไม่หยุดอยู่กท็ที่มันจะดิ้นรนมันจะทะเยอทะยานมันจะเลือดมันจะดานดิ้นรนอย่างนั้นแหละเราดูดูไปทิตใจของเราคนมาจดเจาะดูไปที่ใจของเรานนจจเรานี่ยนี่คือการศึกษาเป็การปฏิบัติธรรมเราทําคิดให้ได้รับความสงบสงบเพื่อเพื่อได้กําลังเข้ามากําลังนี้เป็นสบียงเป็นสบียงเป็นอุ ป, ปกรณ์เป็นชิ้นส่วนในการที่จะมาประกอบ มาประกอบให้เราคลี่คลายดูทุกสีทุกอย่างที่เราข้องใจให้ให้เห็นเหตุให้เห็นปัจจัยของมันจึงมีความจําเป็นหรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคือกําลังสมาธิคือกําลังกําลังของจิตท่านจึงให้เราทําจิตให้ได้ระความสงบจิตได้ระความสงบ ก, ก็เป็นสมถะเป็นสมถะสมถะแปลว่าความสงบความสงบแปลว่าสมถะสม ถ, สมถะแปลว่าความสงบ วิปัสนาวิ ป, ปัสนาแปลว่ารู้แจ้งวิ ป, ปัสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งเนี่เป็นเรื่องของปัญญาเราทำจิตให้สงบเพื่อสะสมกำลังเอาไว้เสร็จแล้วเอาจิตไปทำงานเมื่อเอาจิตไปทางานจิตมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังก็คือสามารถดูเหตุดูปัจจัยได้อย่างต่อเนื่องจนเห็นเหตุเห็นปัจจัยเมื่อเราเห็นเหตุเราเห็นปัจจัยแล้วเราก็ไม่สงสัย เราก็ไม่ยึดเราก็ไม่ติดเราก็เห็นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นปฏิกูลเห็นโสโครเห็นทุกข์เห็นโทษสิรจิตมันก็ถอนมันถอยออกมามันถอยออกมามันหักถอยออกมาเนื่อไจากมันรู้ตัวมันตื่นตัวมันถอยออกมามันตื่นตัวมันถอยออกมาความหลงความมืดมืดทึบทึบภายในจิตมันค่อยคค่อยค่อยตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมา ตืนเนื้อตืนตัวเข้ามาตื่นเนื้อ ต, ตัวเข้ามาอันนี้เราต้องทําให้เกิดให้เกิดขึ้นในใจของเราเราจะเข้าใจในตัวของตัวเราเองนี่เราพูดทั้งหมดนเราไม่ไม่ได้พูดถึงหลักอะไรอย่างอื่นเราก็หมดจดเจาะเข้ามาที่ใจเราจะเห็นเหตุเห็นผลของกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ภายในใจเราไม่เคยส่องเข้ามาเราไม่เคยย้อนเข้ามาดูมันทําให้มันเจริญงอกเงยเจริญงอกงาม สิ่งที่เลาะในหัวใจของเรา เ, เจริญงอกเงยเจริญงอกงามเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในที่มืดตราบใดที่เราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณากำหนดจดจอ่อเหมือนกับเราส่งแสงสว่างเข้าไปส่องเข้าไปดูดูในที่มืดส่องไปแล้วก็เห็นส่องไปแล้วก็เห็นนั้นส่องไปแล้วก็เห็นนี้คือความมืดของจิตความมืดของจิตก็คือกิเลสมันมาเกาะมารุมอยู่ภายในจิตเลย ทีนี้เรามาเจริญปัญญาเพื่อย้อนเข้ามาดูที่จิตย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นความงอกของตัวเองเห็นความงอกของจิตนั่นแหละความงอตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเราย้อนมาย้อนมาเท่าไหร่ย้อนมาก็เห็นเราย้อนมาก็เห็นย้อนมาพิจารณาเราก็เห็นย้อนมาพิจารณาเราก็เห็ น, น, ม, หนมันก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นไอ้ความมืดๆที่จะเรียกอวิชชานะั่นก็ค่อย <S <S อ<ก Crush>จางไปก็ค่อยจางไปรู้เหตุรู้ปัจจัย รู้ในภายในคือรู้ด้วยปัญญาความรู้คือคือปัญญานี้ความสว่างของปัญญานี้มันนม้เหมือนความสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีสิ่งมาบดมาบางังมันก็ส่องทะลุไปไม่ได้แต่สติปัญญาเราลองกำหนดจดจด่จอพิจารณาลองดูมันสามารถส่องดูร่างกายในทะลุผุโปรงไปหมดดูเหตุดูปัจจัยของจิตสามารถดูไล่ตอนไปดูให้ทะลุ ป, ป, ปุโรงเข้าไป นี่คือการฝึกหัดคือการฝึกหัดภาวนา Version ทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาเกิดความรอบรู้ที่นเรียกว่าปัญญารอบรู้ไอสิ่งที่เรารู้ทั้งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละที่เรียกว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งที่มาประกอบกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในกายของเราที่มีอยในจิตของเราที่เรียกว่าสัง án, ขารทั้งนั้น ส, án, ส, án, ส, án, สังขารกายสังขารจิตเน่ยสังขารกายสังขารจิตสังขานี้มันมีตั้งแต่สองสิ่ง มีตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารถ้าเป็นหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขารอย่างจิตของเราเประกอบไปด้วยกิเลสมีอำนาจความรู้ของจิตด้วยมีอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตด้วยมีสิ่งสองสิ่งเลยกลายเป็นสังขารเป็นสังขารเมื่อมีสังขารแล้วสังขารนี้ก็ถูกปรุงด้วยเหตุด้วยปัจจัย สังขารต่างๆเัลนก็ขยับเคยือ่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้ท่านจึงว่าเป็นจิตที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นจิตที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนเป็นจิตที่ยังมีกองทุกยังเป็นสังขารอยู่ยังถูกความทุกข์เข้าไปแทรกให้เราได้รับความทุกข์อยู่นั่นเองจนกว่าเราจะชำระออกได้หมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ดวงเดียว BE: ผรู้ที่บริสุทธิ์ลงเหลวไม่เกี่ยวกับกิเลสท่านไม่เรียกว่าสังขารภาษาหลักธรรมะท่าเรียกว่าวิสังขารวิสังขารแปลว่าไม่ใช่สังขารต่างไปจากสังขารวิสังขารต่างไปจากสังขารวิสังขานี้ก็คือภาวะของผู้รู้ที่ไมไไ่มีกิเลสเข้าไปแทรกได้ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสังขารเข้าไปปรุงแต่งได้เมื่อไม่มีสังขารเข้าไปปรุงแต่งได้ ภาวะอันนี้เลยกลายเป็นภาวะทิฏเที่ยงไม่มีเกิดขึ้นไม่มีตั้งอยู่แล้วก็ไม่มีดับไปเพราะฉะนั้นจิตพระเดียเจ้าที่ท่านบริสุทธิ์นะท่านถือว่าเที่ยงเที่ยงเที่ยงอยู่อย่างนี้ตลอดอนันตการไม่มีเปลี่ยนไปไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีกาละไม่มีเทศัส์ไม่มีเวลาจํากัดไม่สามารถจะไปจํากัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ ไม่มีเวลาจํากัดไม่มีอายุไขจํากัดไม่มีอะไรจํากัดดํารงตอนอยู่โดยเอกเทศอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการคําว่าอนันตการไม่มีอะไรมาขั้นอยู่แบบไม่มีอายุไขัยอยู่แบบไม่มีเวลาดำรงตอนอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมายุเยะให้เปลี่ยนแปนลงไปอยา่างอื่นนี่แหละตัว่าภาวะที่พ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏจัสงสารคือเกิดแก่เก็บตาย สิ่งสําคัญก็คือจิตของเราเมื่อเราพยายามชราระบริสุทธด้วยหลักของศีลด้วยหลักของธรรมเราเริ่มชำระเราก็เริ่มมีความสุขเราเริ่มรู้ธรรมะเราเริ่มเข้าใจธรรมะศึกษาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยโดยไม่กําหนดวันเวลานาทีหละทําให้ได้ทุกกิริยาบททำให้เป็นอาจิณทําเอาชีวิตนี้ขเขาแล่แล่ด้วยชีวิต เอาชีวิตเป็นเดิมพันตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องทําทําอย่างนี้ทําจนประสบประสบผลสําเร็จท่าเรียกว่าภาวนาท่าเรียกว่าภาวนาโอกาสที่จิตของเราจะหมุนมาอย่างที่เราได้ฟังนี้มันก็เป็นโอกาสอย่างกันนะถ้าเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจเราจะผิวจะเผินไปตามอํานาจของกิเลสที่มันอยู่มันอยู่ฉากหน้าของเรา มันแปลให้เราผิดไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันแปลให้เราผิดสิ่งที่มันแปลเราไม่เข้าใจตามหลักสภาวะความเป็นจริงจึงทําให้เรามีความโลภอยู่อยากได้อือยากได้มีความชอบใจกับสิ่งอะไก็อยากมีความอยากอยากได้มีความอยากได้ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอยากได้มาทําไมอยากได้มาเพื่ออะไรมีแต่ความอยากอยากมีความอยากอยากได้ การตัณหาอยากได้วัตถุการภาวะตัณหาอยากไม่พบอยากได้ความมีความเปลี่ยนวิภวะตัณหาอยากได้ความไม่มีความไม่เปลี่ยนอะไรความไม่มีความไม่เปลี่ยนวิภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็คือเราไม่ชอบร่างกายเราต้องแก่แต่เราไม่ชอบร่างกายเราต้องเจ็บแต่เราไม่ชอบ ร่างกายเราจะต้องตายแต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบไอความไม่ชอบของเราเนี่ยมันไปฝืนหลักความจริงฝืนหลักของธรรมชาติท่านที่เรียกว่าวิพว ะ, ะตันหาวิพว ะ, ะตันหาคือเอาใจของเราเนี่ยไปกีดไปขวางหลักสภาวะธรรมตามความมีของมันตามความเป็นของมันเอาความหรือความคิดของเราเนี่ยไปคาดไปเดาแต่มันก็ไปกีดไปขวางอะไรไม่ได้ทั้งนั้น พราะสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันใจมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันใจมันก็เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมันแต่ใจเป็นผู้รู้สึกนึกคิดเกเรเข้าไปแทรกเลยอยากได้สิ น, นั้นอยากได้สินนแล้วก็แสวงหาแล้วก็แสวงหาไม่รู้ตามหลักความจริงแล้วก็แสวงหา อยากได้อันั้นก็มาอยากได้อันนี้ก็มาไม่รู้ไม่เข้าใจตามมี้ตามเป็นเอามาแล้วก็ได้มาแล้วก็หลงไหล ย, หยึดถือมีการหึงมีการหัวมีการสวยหามีการดิ้นรนเป็นเหตุให้เราประสบคกองทุกข์ด้วยการทะเละาะวิวาสอาฆาตมากร้ายแย่งชิงทรัพย์สมบัติแสวงหามาอย่างไม่รู้กำหนดไม่รู้ขอบไม่รู้เขตขอบเขตของมันก็คืออะไรขอบเขตก็คือร่างกายแค่บริโภค อาหารเข้าไปเท่านั้นเองแค่บริโภคยาเข้าไปเท่านั้นเองแค่นุ่งหม่มปกปิดร่างกายเท่านั้นเองแพ่อยู่กันแดด ก, กันฝนกันสัตว์กันเหลือบกันยุงเท่านั้นเองที่เราเรียกว่าปัจจัยปัจจัยนะก็มีแค่นี้เองแต่การที่เราต้องการมันต้องการไม่มีสิ้นสุดโทษที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องการด้วยเหตุเราก็ต้องการ แล้วก็แสวงหาเขาก็ต้องการเขาก็แสวงหาไหนที่สุดเราก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันเพราะต่างคนต่างแสวงหาเกิดเวรเกิดภัยทะเลาะวิวาทฆ่าแกงกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ่งถ้าเรามาได้พอบำรุงให้ร่างกายนี้เป็นไปแล้วก็ศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเข้าถึงหลักธรรมชาติตามความมีความเป็นความยึดความถือความผูกความพันความเกาะความเกี่ยว มันก็สลัดออกมันรู้มันเข้าใจตามหลักความเป็นจริงเราเข้าใจตามหลักที่ทั้งเรียกว่าตามหลักของโลกธรรมตามหลักของโลกธรรมเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เดี๋ยวเนียางเดี๋ยวสารเสริญเดี๋ยวได้มาเดี i, Sarah, ๋ยวเสียไปเดี๋ยวได้มา sociais, เดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์สิ่งต่างเหานี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงตามอะไรเปลี่ยนแปลงตา ม, มเหตุตามปัจจัย เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องสําคัญเราดูเหตุดูปัจจัยให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเสร็จแล้วจะทําให้เร า, าตื่นตัวตื่นเนื้อตื่นตัว <cartoon> ไม่หลงไม่หลงยึดไม่หลงถือรู้เข้าใจเต็แจ้งแล้วก็ปล่อยก็วางไม่ใช่ตั้งใจวางถ้ า, าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราจะวางไม่ได้เมืเ่อเรารู้เราเข้าใจความเป็นไปความเป็นมาแล้ว <Verse> มันก็วางเอง Blue มันก็วางเองมันไม่เหมือนมือเราหยิบชิ้นของแล้วก็จับแล้วก็วางจับแล้วก็วางภาวะของจิตที่มีกิเลสไปเกาะไปคุมไปเกี่ยวไปคล้องจับสี camer, น่น <my> <my modern model>. ั้นจับที่นี้เกาะชิ้นั่นเกาะทิ่นี้มันเกาะเนื่องจากว่ามีอวิชชาปิดบังดวงปัญญาของเราเราไม่เห็นเหตุเห็นเหตุเห็นปัจจัยขอมันจะยืดยืดยืยืยืเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมัคือเข้าไปรู้เข้าไปรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยก็ปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ตามภาวะของมัน ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตามสภาวะตามความเป็นจริงของมันเราไม่ต้องไปยึดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนี้ดึงสิ่ง น, นั้นมาปล่อยสิ่งนี้ไปการที่เราดึงมาการที่เราผลักออกไปเนี่ยคือเราไม่รู้จริงเราไม่เข้าใจจริงมันยังมีสิ่งชอบยังมีสิ่งไม่ชอบสิ่งชอบก็ยึดเข้ามาสิ่งไม่ชอบก็ผลักออกไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่ทำให้เราอยู่กับฝ้าอยู่กับม่าน บางปัญญาของเราเป็นไปตามกลไกมายาของกิเลสทั้งนั้นนี่คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันของผู้เราเพราะฉะนั้นให้เราทําจิตให้ได้รับความสงบเมื่อจิตเริ่มสงบสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเริ่มปรากฏจะเริ่มปรากฏจิตของเราจะเริ่มละเอียดจิตของเราจะเริ่มยังรู้หลักความเป็นจริงละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนสามารถเข้ามาทํางานในวงในนี้ได้ เป็นการศึกษาเป็นการค้นคว้ามหมุนเข้ามาที่ใจจริงๆเมื่อเราทราบเราเข้าใจานี้แล้วเราก็ประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะที่เราเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทคือลักษณะในการประกอบการงานจะต้องประกอบไปด้วยความพอใจฉันทะเมื่อเรามีความพอใจเราก็มีความภาคความเพียรที่เราเรียกว่าวิริยะ ทันทักวิริยะจิตตะวิมังสาจิตตาก็คือจดจ่อเข้าไปมีสติมีสมาธัญญยากกามาจดจ่อเข้าไปมีเหตุขัดข้องมีปัญหาใดๆเราก็วินิจฉัย ใ, ใคร่ครวนที่จเรากว่าวิมังสาใคร่ครวนไตรตรองนี่คือคือธรรมะที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอามากํากับในการทํางานทํายังไงทําขั้นไหนทำทำจนอินทรีย์เราเ ก, กล้า ทำอินทรีย์เราแก่กล้าศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจนมีศรัท ธ, ธาแก่กล้าจะมีความภาคความเพียรมีความภาคความเพียรเพราะมีความต้องการอย่างแรงกล้าศรัท ธ, ธาวิริยะสติธธ จ, จดจอ่อก็มีเมื่อสติธธ จ, จดจอ่อมีสมาธิกิดก็ต้องมีมีสติธธ ด, ดีมีสมาธิ ด, ดีประกอบกันใช้ความดําริซึ่งเป็นสัญญา ก็กลายเป็นปัญญาได้เป็นปัญญาได้และเป็นปัญญายานได้ทําให้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างถ่องแท้นี่คือการเอาหลักธรรมะมาทํางานคือการภาวนาเนี่ยต้องใช้ความภาคความเพียรมากการที่เราไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจวินิจฉัยไห้ค ร, ครวญอะไรนั่นเป็นหน้าที่ที่เราจะไปรู้จะไปเข้าใจแต่มันก็เป็นไปตามหลักอันนี้แหละ เป็นไปตามหลักของจิตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเนี่ยนอกจากท่านสอนปรมาถประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์พพนี้ท่านให้ขยันทำมาหากินได้มาแล้วก็รู้จะเก็บรู้จะรักษาอันนี้คือประธานนะประธานคือความเพียรสงวรประธาน ระบาปให้เกิดขึ้นปานประธานละบาปที่มีอยู่ภายในใจอนุรักษ์กนาประธานมีคุณธรรมอะไรปรากฏเกิดขึ้นก็พยายามรักษาไว้ภาวนาประธานทําให้เจริญทําให้มีทําให้เกิดคือทําได้มาเก็บรักษาแล้วก็ทําให้เจริญนี่ก็เข้าในหลักเข้าในองค์มรรคเข้าในองค์มรรค ที่ท่านเรียกว่าประธานคือความเพียรคือความเพียรนั่นแหละสังวรประทานปะหานประทานอนุรักษนาประทานภาวนาประทานการทํางานสมมติอย่างเราสเสวะหาปัจจัยปัจจัยสี่ก็อาศาัยความขยนันเพียนเสวะหาได้มาแล้วว่าเก็บรักษ า, าเก็บรักษาใช้ใจ่ายแต่พอดีพอดีไม่คบมิตรชั่ว ไม่ครบมิชชุ่วเราก็สามารถจะหาทรัพย์สมบัติไว้ใช้สอยในประโยชน์ในปัจจุบันนี้ได้มีพออยู่พอกินพอเป็นพอไปอเราก็ไม่ลืมเราก็ไม่ประมาทเราตั้งใจให้ทานเรามีศรัทธาเรามีศีลเรามีจากขะเรามีปัญญาเรามีศรัทธาศรัทธาเชื่อพระุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราตั้งใจรักษาศีลเพื่อสำรวม รักษากายของเราบ่อยสุดรักษาวาจาของเราให้บริสุทธิาาา์แล้วก็มีการบริจาคมีการบริจาคทานและก็มีการเสียสละอารมณ์ที่เป็นค่าสิทธิคืออารมณ์ของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์ที่มายุ่ยียดให้จิตของเราได้รับความร่าเริงแล้วก็มีปัญญารอบรู้ทั้งของหยาบของละเอียดมีปัญญา สวยงามมีปัญญาประกอบเมื่อจิตเรามีสิ่งเหล่านี้รักประกอบสิ่งเหล่านี้เป็นไปกินกรรมเราก็มีสุคติเป็นที่ไปในดวงหน้าประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าถ้าเราพูดถึงเรื่องภาวนาก็คือปรมัทพประโยชน์ประโยชน์สูงสุดนี่แสดงว่าเราพยายามจะถีบตัวไปให้พ้นจากโลกเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่เป็นไปใน ชีวิตประจำวันนี้ให้เราอยู่ด้วยประโยชน์ทั้งสามอย่างประโยชน์ในปัจจุบันเราก็รู้ว่าอะไรคือประโยชน์ที่เราจะพึงแสวงหาประโยชน์ในสัมปรายจะพบเราจะต้องมีศรัทธาเราจะต้องมีศีลเราจะต้องมีจาะเราจะต้องมีปัญญาและคุณธรรมคือฮิริคือโอตัปปะคือสติคือสัมรัชญะใหเรารู้ให้เราเข้าใจแล้วเอามาประกอบ เป็นอุปกรณ์ในการทํางานโดยเฉพาะพระพิสุทธิสเณีเราหรือผู้ที่ตั้งอยู่ใกล้วุติเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิ ก, กาเราก็ตั้งใจภาวนานี่เป็นปรมาถประโยชน์เราก็ตั้งเอาไว้สองอย่างหนึ่งเราจะทํากิตให้ได้รับความสงบอุบายวิธีเราพยายามทําเองทําให้เกิดเองสองเราพิจารณาให้เกิดปัญญา พิจารณาอะไรพิจารากายดิพิจารณาคือกําหนดจดจ่อดูมันเป็นปัญญาหนึ่งเราทําให้สงบสองเราทําให้ได้ปัญญาเมื่อเราทําได้สว์ได้ส่วนจิตใจเราก็ก้าวหน้าได้รับความสงบละเอียดลึกก้าวหน้าเกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาละเอียดลึกก้าวหน้าที่ว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเอาเลยนะเราต้องควรแหละ